ห้าบเปพาเชตะพภะทะวติงสวร์ว่าด้วยบุคคลไม่ควรให้บรรพชา32มสิจำพวกข้อ1นึสมัยนั้นพวกภิกษุให้คนมือด้วนบรรพชาให้คนเท้าด้วนบรรพชาให้คนทั้งมือทั้งเท้าด้วนบรรพชาให้คนหู ว, วิ่นบรรพชา ให้คนจมูกแหว่งบันพชาให้คนทั้งหัววิ่ทั้งจมูกแหว่งบันพชาให้คนนิ้วมือนิ้วเท้าขาดบันพชาให้คนง่ามมือง่ามเท้าขาดบันพชาให้คนเอ็นขาดบันพชาให้คนมือเป็นแผ่นบันพชาให้คนข้อมบันพชาให้คนเตี้ยบบันพชาให้คนคอพอกบันพชาให้คนถูกสักไม้โทษบันพชาให้คนมีรอยเคี้ยนด้วยหวายบันพชาให้คนมีหมายจับบันพชาให้คนเท้าปุก บันพชาให้คนมีโรคเรื้อรังบรรพชาให้คนมีรูปร่างไม่สมประกอบบรนพชาให้คนตาบอดข้างเดียวบรรพชาให้คนง่อยบรรพชาให้คนกระจอกบรรพชาให้คนเป็นโรคอามาพาดบรรพชาให้คนเคลื่อนไหวเองไม่ได้บรรพชาให้คนชราทุพพลภาพบรรพชาให้คนตาบอดสองข้างบรรพชาให้คนใบ้บรรพชาให้คนหูหนวกบรรพชาให้คนทั้งบอด ทั้งใบบรรพชาให้คนทั้งบอดทั้งหนวกบรรพชาให้คนทั้งใบทั้งหนวกบรรพชาให้คนทั้งบอดทั้งใบทั้งหนวกบรรพชาภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ